คุณเคยรู้จักใครที่ไม่อกหักบ้างถ้าตอบว่าไม่มีก็แปลว่าการผิดหวังจากความรักเป็นเรื่องธรรมดาหาใช่เรื่องแปลกการปัดปรากจากบุคคลอันเป็นที่รักน่าจะเป็นมหันตทุกขทางใจหมายเลขหนึ่งไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายไม่ว่าจากกันแบบจบดีหรือจบเหตุประเด็นอยู่ที่ว่า เราจะช่วยโอกาสตอนทุกหนักมาทำอะไรปล่อยให้ทุกจนกว่าจะตรอมใจหรือฝึกทุกวันเติ่นขึ้นเห็นความจริงอันเป็นธรรมดาธรรมดาคือไม่เที่ยงธรรมดาคือไม่อาจสมหวังได้รู้สึกถึงความไม่เที่ยงได้จริงๆครั้งใดจิตใจจะเหมือนถอยห่างออกมาจากความยึดติดถือมั่นเป็นสภาพถอยห่างที่รู้สึกได้จริงๆ ไม่ใช่แค่อุปมาอุปไมยยิ่งรู้สึกถึงความไม่เที่ยงได้บ่อยครั้งเท่าไหร่คุณจะเห็นเข้ามาว่าใจก็พร้อมยอมรับความจริงมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละความเบิกบานที่ยิ่งกว่าช่วงชื่นมืนขณะตกหลุมรักนั่นแหละความชุ่มชื่นห่างกลาจากช่วงห่อเหี่ยวขณะอกหักเป็นคนละโลก ภาพประกอบคนคุมหัวแล้วพูดว่าความจริงมันเป็นทุกข์ใครจะไปอยากยอมรับมีคำตอบมาว่าความจริงไม่ได้เป็นทุกข์ใจตังหากที่เป็นทุกข์ความจริงอยู่ของมันเฉยๆมีแต่ใจวิ่นฟ่านไม่ยอมรับเองถ้าจิตเป็นสมบัติของคุณคุณคงบังคับได้ว่า จะลืมหรือจำใครจะรักหรือไม่รักใครแต่เพราะจิตไม่ใช่สมบัติของคุณคุณจึงไม่อาจบังคับได้ว่าจะให้จำหรือลืมใครจะให้ไม่รักหรือยังรักใครทุกอย่างสุดล้แต่เหตุปัจจัยหากรูปเสียงของใครมีพลังกระทบมากพอจิตของคุณจะถูกปรุงแต่งให้เกิดความประทับใจจดจำเหนียวแน่น ยึดติดถอนไม่ได้จนกว่าจะหมดแรงประทับจากรูปเสียงหากรูปเสียงของใครก่อความสุขให้คุณพอใจก็จะเกิดความรู้สึกรักเลิกรักไม่ได้คลายโดนมนต์สะกดลึกล้ําจนกว่าจะหมดแรงส่งความสุขจากรูปเสียงสิ่งที่คุณบังคับได้และบอกความเป็นตัวคุณบอกว่าใครมีตัวตนสว่างหรือมืด คือการเลือกประพฤติผิดหรือถูกต้องตามธรรมไม่ว่าจะจดจําหรือหลงยึดสิ่งยั่วยวนแค่ไหนปราบใดยังเลือกที่จะยืนอยู่ข้างศีลปรากใดยังเลือกการอภัยไม่เบียดเบียนปราบนั้นความปลอดภัยความสบายโปร่งโลง่งย่อมคงอยู่คู่จิตเสมอไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาถึงตัวง่ายๆแต่หากยอมแพ้กิเลส เลือกยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศีลนั่นเท่ากับเลือกข้างผิดก็อย่าประหลาดใจท่านในเวลาต่อมาจะเกิดอาการลุ่มหลงคนผิดหรือเลือกรักผิดคนถ้าใครเคยมีประสบการณ์หลงติดใจคนรูปร่างหน้าตาไม่ดีแถมจิตใจต่ำรามนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามีอะไรบางอย่างที่มืดที่ลึกลับ ที่สามารถบีบใจให้เห็นผิดเป็นชอบได้จริงให้สันนิฐานว่าคุณเคยผิดทำทำในที่นี้คือธรรมะนะครับให้สันนิฐานว่าคุณเคยผิดทำธรรมชาติจึงบันดาลความผิดเทียนขึ้นในใจเอาได้เมื่อตั้งใจไม่ทําผิดอีกใจจะเป็นธรรมแล้วธรรมจะส่องสว่างให้เห็นทางถูก ทางออกจากความรักผิดติดและความจำอันเป็นทุกข์ได้ในที่สุดความหวังครั้งใหม่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งรอยยิ้มหรือน้ำตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่หวังจะได้แต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดเพื่อให้ได้มาตลอดจนความพร้อมที่จะเอาจริงความหวังใหม่บางชนิด ก่อให้เกิดความคิดวางแผนกระตุ้นให้สมองทำงานเต็มที่อาจซับซ้อนหรืออาจเรียบง่ายตามกำลังความหวังใหม่บางชนิดขับดันให้เกิดความพึกเขิล ม, มไฟให้ใจเกิดพลังอาจช่วช่วงยาวนานหรืออาจลุกโลงเดียวเดียวความหวังใหม่บางชนิดสร้างความฟุ้งซ่านวกวน เพระใจหนึ่งฝันถึงความสุขเบื้องหน้าแต่อีกใจก็กังวลถึงความทุกข์ครั้งใหม่ไปด้วยได้ความหวังชนิดที่ไม่ได้ฝากไว้ในมือคนอื่นไม่เด้บลอยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้มองลอยๆออกนอกตัวแบบเห็นคนอื่นมีแล้วอยากมีบ้างแต่เป็นความหวังชนิดที่ทำให้หันมามองตัวเองชัดๆ สำรวจความพร้อมของตัวเองดีๆกับทั้งตอบตัวเองได้หนักแน่นว่าจะลงมือทําอะไรเพื่อความหวังใหม่ได้เดี๋ยวนี้เลยความหวังเช่นนั้นควรค่าแก่การได้รางวัลและคุ้มพอที่จะให้ที่ยืนอยู่ในใจคุณหวังจะลืมตาอ้าปากได้แต่เริ่มคิดถึงสิ่งที่ทําได้ถนัด แล้วลงมือทําไม่วอกแวกก็ควรแล้วที่จะลืมตาอ้าปากได้ในที่สุดหวังจะพบรักแท้ถ้าเริ่มคิดถึงการมีแก่ใจเอื้อเฟื้อและไม่ยอมถูกครอบงําด้วยความเกลียดก็ควรแล้วที่จะพบรักแท้ในวันหนึ่งหวังจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเริ่มคิดสืบหาต้นเหตุแห่งทุกข์และเลิกแกล้งตัวเอง ด้วยการเพิ่มเหตุแห่งทุกข์ก็ควรแล้วที่จะพ้นทุกข์ก่อนตาย